ฟังของพ่อเทศแรกๆยากนะยากเพราะว่าเป็นของที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังถ้าได้ยินได้ฟังลงมือทาไปสักช่วงหนึ่งไม่ยากอะไรบางคนฟังซนะีดีก็จะเขาแยกได้ว่าช่วงเช้าหลวงพ่อเทศเนี่ยมันแบบภาคปริยัติแต่ตอนส่งกันบ้านเนี่ยเป็นภาคปฏิบัติความประหลาดมันอยู่ที่ว่า สอนไปอย่างหนึ่งนะแต่ตอนรายงานผลมันออกไปอีกแบบหนึ่งใครเคยรู้สึกอย่างนั้นไหมคําถามจากการปฏิบัตินะมันมันออกไปอีกแบบหนึ่งส่วนภาคปริญญาจะเรียนหลักหลักของการปฏิบัติทําอย่างนี้อย่างนี้พอปฏิบัติไปแล้วนะแต่ละคนมาส่งกันบ้านนะมันดูลึกลับซับซ้อนแปลก อนนี้หลวงพ่อรู้สึกด้วยตัวเองมาตั้งแต่เรียนจากครูบาอาจารย์แล้วเวลาฟังครูบาอาจารย์เทศนะแลก็ฟังเรามาทำตอนไปถามท่านนะ่ะเหมือนคนละเรื่องกันถามเช่นตอนหลวงพ่อเทศท่านพูดเรื่องภาวะที่มันไหวยิบยับกลางหน้าอกอะไรเงี้ยหรือภาวะที่หมุนอยู่กลางหน้าอกไม่ได้เทศให้ฟังแต่พอเราไปภาวนานแล้วเราก็มาเห็นของเราเอง สังสารวัตมันหมุนอยู่ที่นี่เองหมุนอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วสมัยก่อนถ้าพลาดองไหนภาวนาจนเห็นตัวนี้มันหมุนนะเจนมหาบัวท่านบอกท่านจะไล่เข้าป่าเลยให้ไปภาวนาให้แตกหักไปเลยนี่พวกเรามหัดูจิต ด, ดูใจเราเห็นสภาวะนี้เร็วนะเร็วกว่าจะถึงขั้นแตกหัก ถ้าครูบาอจารย์รุ่นก่อนทนะ่านจะดุไ ก, ก่งั้นท่านยังไม่เห็นภาวะนี้พอนาไปเชิญทั้งเก่งมากแนละ้วถึงยังมาเห็นภาวะนี้เพิ่งมาดูจิตทีหลังเอามาเห็นตรงนี้ครูบาอจารย์จะไล่เข้าป่าให้ไปพลนะจะแตกหักแนละ้วของเราเห็นยังไม่แตกหักนะเอาขั้นตอนให้ได้ก่อนเาเรียนบุญนละ้เราเริ่มต้นเราก็เข้ามาตรงนี้เลยเราเห็นอะไรบางอย่าง มันหมุนอยู่ภายในอยู่กลางอกเจนมหาบัวก็บอกนะทำแท้เกิดขึ้นกลางอกนั่นตัวที่หมุนอยู่ตรงนี้เป็นตัวทำแท้อะไรที่ชื่อว่าทำแท้บ้างอากูศลธรรมก็เป็นทำแท้เป็นของมีอยู่จริงๆกูศลธรรมก็เป็นทำแทนะ้ก็เกิดที่เดียวกันนี่เองหมุนขึ้นมานะ มรรคผลก็เป็นธทำแท้เป็นฝ่ายโลกุตละก็เกิดขึ้นตรงนี้เองพุดขึ้นจากกลางอกนี่เองในภาคปริยัตเยิเขาจะพูดถึงสภาวะหนึ่งเรียกว่าหาทายวัตถุหาทายวัตถุเนี่ยเป็นที่เกิดของนามธรรมาฝ่ายที่เรียนปริยัตินะเขาก็จะหาว่าหาทายวัตถุอยู่ที่ไหนชื่อหาทยายะหาไทยรู้จักหาไทยไหมหาไทยก็หัวใจใช่ไหย เลยคิดว่าอัตยวัตถุอยู่ที่หัวใจตําราจะมุ่งไปที่หัวใจแลอะไรอยู่ในหัวใจคิดกันใหญ่เลยนะดูกันใหญ่ด้วยพลังของจิตดูกันใหญ่ไปผ่าหัวใจดูไม่ได้ดูไปมันก็เกิดนิมิตโอ้คนนี้มีน้ำเลี้ยงหัวใจสีนี้คนนี้มีน้ำเลี้ยงหัวใจสีนี้บอกว่ามีน้ำเลี้ยงหัวใจหัยวัตถุนี่เป็นน้าเลี้ยงหัวใจ ถ้าสีนี้แสดงว่ามีนิสัยอย่างนี้สีนี้มีนิสัยอย่างนี้ใกลๆไปค่ยๆไปดูหมอเลยเลยนะดูนิสัยนะอันนั้นเพราะว่าเขาไม่รู้จักว่านามธรรมาจริงๆเกิดตรงไหนนะนี่พวกเรามาหัดดูของจริงเราเห็นเลยว่ามันผุดขึ้นกลางอกนั่นเองนะเวลาความโกรธเกิดเกิดที่ไหนพุ่งขึ้นมาอย่างนี้รู้สึกไหมนะพุ่งขึ้นมาดูง่ายที่สุดเลยตัวความโกรธ ความโลบอะไรต่ออะไรก็ฝุดขึ้นเนี่ยถ้าพอมันแรงนะมันขึ้นหัวโกรธใช่ไหมเราพุ่งปลืดขึ้นไปกลุ่มหัว เ, เลือดขึ้นหน้าละอย่างเงี้ยนะเอาเรื่องละถ้าดูนิยามของอาเทยวัตถุนะบอกเป็นที่เกิดของนามธรรมาแล้วก็มาดูตรงว่านามธรรมาเกิดตรงไหนอาเทยวัตถุก็อยู่ตรงนั้นแหละนะแล้วฝุดขึ้นมาตรงนี้เองไม่ได้อยู่ที่หัวใจ งั้นถ้าบางคนบอกอหิวัตุอยู่ในหัวใจนะมันเป็นเทคโนโลยีโบราณใช้นั่งสมาธิดูคนอื่นนี้เปลี่ยนหัวใจได้ไหมผ่าหัวใจได้เลยไม่เห็นเจอเลยใช้หัวใจเทียมนะไม่เจอไม่งั้นต่อไปถ้าอหาิวัตุอยู่ที่หัวใจถ้าเกิดเปลี่ยนหัวใจได้นะเอาหัวใจคนอื่นมาใส่ <c oughs> กลายเป็นคนใหม่ไป นำมาทำที่เกิดมัน แ, แปลกไปจากเดิมซึ่งไม่เป็นอย่างนั้นหรอกล้วเราดูของจริงที่ผุดขึ้นมาอันนี้ในฝ่ายปริยัติเขาจะไม่เข้าใจหรอกดูของจริงๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองตรงที่มันไหวขึ้นกลางอกนะถ้าสติปัญญาเรายังไม่ทันนะมันจะปรุงเป็นของที่หยาบเป็นราคะโทสะโมหะขึ้นมาหรือเป็นกุศลที่แรงแรงขึ้นมาเราจึงจะเห็น แต่ถ้าสติปัญญาเราไวเราจะเห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปไม่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรดีหรือชั่วสุขหรือทุกเห็นแค่สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนี่ยสติเราเร็วมากนะไว้แวบๆบแป๊บแบดับแปบแบดับแวบดับนะอยู่ในใจนี่ใครเห็นตรงนี้บ้างแล้วยกมือซิไปเข้าป่าไป กูนะบาอาจารย์ว่างั้นนะของเราเข้าไปแล้วก็หลงป่าตายแนละ้วก็ช็อกตายนะยังไม่ต้องข้าหรอกนะดูของเราไปเรื่อยให้เห็นสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาการจะเกิดก็เกิดเองไม่ใช่สั่งให้เกิดไวหวขึ้นมานะปรุงสุขขึ้นมาไหวแล้วปรุงทุกข์ขึ้นมาเกิดเองไม่ใช่เราสั่ง แล้วเราดูของจริงก็จะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับนะทุกอย่างบังคับไม่ได้เนี่ยภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงแค่นี้แหละเรียนกันแทบเป็นแทบตายก็เพื่อแค่นี้เองเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะสิ่งทั้งหลายบังคับไม่ได้นะมันเป็นไปนตามเหตุของมันไม่ใช่ตามที่เราสั่งถ้าเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นความจริงนะรูปธรรมนี้ก็ เ, เกิดแล้วก็ดับ หายใจออกแล้วก็หายใจเข้าหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเนียอิริยาบถก็เปลี่ยนไปเรื่อยอิริยาบถนั่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเปลี่ยนอิริยาบถไปในจิตใจก็เปลี่ยนอย่างรวดเร็วเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวรายนะย้ายนะเนี่ยคอยดูของจริงไปซ้ำแล้วซ้ำอีกบางคนไม่ดื้อดูนิดๆหน่อยๆ น, นะไม่กี่วันจิตยอมรับ สิ่งไดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาได้พโสดาบางคนมันดื้อ ม, มากต้องดูกันหลายปีกว่าจะหายดื้อการทำวิปัสสนาไม่ใช่การสะกดจิตให้จิตเชื่อนะการทำวิปัสสนาเนี่ยเอาความจริงมาตีแผ่ให้จิตดูความจริงอยู่ที่กายให้จิตดูความจริงของกายความจริงอยู่ที่ใจให้จิตดูความจริงของใจนะดูไปอย่างนั้น ดูจนมันหนึ่งมันยอมบางคนยอมเร็วบางคนยอมช้านะความดือ้อความไม่ดือ้อห้ามไม่ได้หรอกคนไหนได้เคยภาวนาเห็นความจริงมามากแล้วก็ยอมเร็วคนไหนยังไม่เคยดูความจริงนะดูแต่ความหลงผิดสะสมความหลงผิดมันนานต้องใช้เวลานะเงั้นถ้าใขรเขาภาวนาแล้วก็ได้ผลเร็วนะเราก็ต้องอนุโมทนากับเขานาะ เรายัางช้าอยู่เพราะว่าเมื่อก่อนเราโมได้ขี้เกียจเนี่ยแทนที่จะไปฟังพระพุทธเจ้าเทศน์นเราก็ไปฟังเทวทัศเทศอะไรอย่างแล้วก็ช้าหน่อยหรือไม่เราก็ไปรู้สิทธิ์ศาสนาอื่นไปเลยนะที่เป็นปฏิปักษ์กับพระพุทธเจ้าตอนนี้ได้หัดรู้หัดดูนะดูของเราไปเอาใครจะส่งกันบ้านเชิญ นมาสการครับหลวงพ่ออืมผมเดินจงกรมครับเห็นความคิดฟุ้งซ่านครับซึ่งน่าอายมากเเป็นอะไรล่ะก็ไต้องเดินไปแป๊บๆก็จิตคิดปา마สนู่นนั่นเนี่ยครับแต่ว่าดีหน่อยที่ว่าได้ความรู้สึกตัวเวลาเท้าลงพื้นหรืออะไรเงี้ยครับก็จะตัดตัดตัดไปยังไงเป็นสมถะนะครับ เดินจงกรมแล้วเรากําหนดจิตไว้อันเดียวจับอยู่ในความรู้สึกอันเดียวก็เป็นสมถะครับก็ไม่ฟุ้งซ่านไปนะแต่ถ้าจะขึ้นไปปัสสาก็ต้องไปอีกแบบเดินไปเห็นร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินเห็นใจมันคิดไม่ใช่เราคิดเรงดูอย่างนั้นครับแล้วอย่างนี้จะมีผลไหมครับแบบจิตคิดปา마ตเองอะไรเงี้ยครับได้จิตไม่คิดปา마เราไม่ได้เจตนาเป็นกรรมเล็กน้อยเรียกว่ากตตากรรม กรรมเล็กน้อยเนี่ยจะมาให้ผลเรานะต่อเมื่อไม่มีกรรมหนักๆที่จะให้ผลแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลหรอกรเรื่องเล็กอยู่ๆจิตก็ว่าครูบาอาจารย์จิตว่าหลวงพ่อว่าพระพุทธเจ้าว่าหมดเลยนะยกเว้นตัวเองชมนว่าตัวนี้ดีมันว่าของมันเองครับนะเป็นบาปเล็กน้อยอย่าไปกลัวครั บ, รบตรงที่เรารู้ทันว่าจิตมันทำงานได้เองเนี่ยเป็นบุญอันใหญ่ คล้ายๆมีบุญแค่นี้นะมีบาปแค่นี้ไม่ต้องกลัวหรอกครับบุญต้องให้ผลก่อนแล้วเวลาเดินจงกรมอยู่ได้ยินเสียงนกร้องกับเสียงรถสิบล้อที่มันแผดเสียงออกมาก<อ>็ตกใจนะครับอก็เลยนึ ก, นกว่าเออเสียงนกก็เป็นเสียงเหมือนกันเรถสิบล้อก็เป็นเสียงทําไม เ, <อ>เราถึงเลือกไปราคาญรถสิบล้อแล้วก็ออย่างที่หลวงพ่อเทศเมื่อกี้คือมันจี๊ดตรงกลางอกอ่ะครับเออ่นน่ยมันขึ้นแบบนั้นนะครับ หเห็นแล้วดูเเฉยมันจิตได้เองหูได้ยินเสียงผุดขึ้นที่นี่ครับนะตามองเห็นผุดขึ้นที่นี้ครับนะผุดได้เองดูหรผุดแล้วก็ดับผุดแล้วก็ดับดูของจริงไปงั้นแหละส่วนมากจะมีแรงบีบคั้นตรงกลางอกแรงบีบคั้นเนี่ยนะมันมีความอยากเกิดขึ้นนะจิตก็ถูกบีบคั้นเป็นทุกข์นะมันสร้างภพ อ, อยู่ภายในนะหมุนติ้วติอยู่ภายในความทุกข์ก็เกิดระวังอันเดียวอย่าไปเพ่งจิต ขอบพระคุณครับหลวงพ่อกับน้มัสการหลวงพ่อค่ะเพิ่งเพิ่งมาภาวนาที่วัดเมื่อวานเป็นวันแรกนะคะก็ยังงงงงอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรงงก็งงงงแล้วทําไงก็รู้ว่างงก็เห็นนะใจมันงงได้เองมันคิดขึ้นมาก่อนใช่ไหมแล้วก็สงสัยขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้ทันจิตไปคิดเรารู้ทันถ้ารู้ไม่ทันมันงงขึ้นมาแล้วรู้ว่างง เราก็จะเห็นเลยความงงเกิดเองความงงเกิดขึ้นมาแล้วก็อยู่ได้ชั่วคราวเราไม่คิดต่อเดี๋ยวก็หายไปทุกอย่างเกิดแล้วดับวนะิปัสสนากรรมฐานไม่ได้เรียนอะไรมากหรอกเรียนให้เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเท่านั้นนะนะใจลอยอยังรู้ทันว่าใจลอยไปแล้วคอยรู้ทันอย่างนี้แหละนะให้รู้ทันใจลอยออรู้ทันใจลอยบางทีมันลอยไปนานนะคะออลอยนานไม่ดี วิธีจะไม่ให้ลอยนานนะต้องทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่ง่าพุโทโธพุโทโธไปก็ได้นะแล้วพาใจลอยลืมพุโทโธไปก็รู้ทันจะได้ไม่ลอยนาน ค, คนทั่วๆไปใจลอยวันละครั้งนะแต่ตั้งแต่ตื่นจนหลับนานมากเลยถ้าเราหัดภาวนาใจลอยแวบรู้สึกแวบรู้สึกสั้นๆบ่อยๆขอบพระคุณค่ะ นรมาสการ์ค่ะตรงกันบ้างครั้งแรกค่ะเพิ่งมาครั้งแรกคือเห็นกิเลสตัวเองเออค่อนข้างเยอะโลดโกรดหลงนะคะแต่ส่วนใหญ่จะหลงคิดมาก <c oughs> การเดินจงกรมนั่งสมาธินี่ก็หลงคิดอยู่ตลอดก็กราบขอคำแนะนําการปฏิบัติต่อค่ะไม่ห้ามมันหรอกนะดูใจสิเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้มีแตรของไม่เที่ยงใจมันรายขึ้นมาก็รู้นะใจมันดีขึ้นมาก็รู้นะ ใจมันสุขใจมันทุกข์ก็คอยรู้เอานะแล้วเวลาเดินจงกรมที่บางทีจิตก็อยู่กับลมหายใจบางทีก็อยู่กับเท้าให้รู้ทันจิตจิตไปอยู่ที่ลมก็รู้จิตไปอยู่ที่เท้าก็รู้ไม่ได้ไปรู้ลมรู้เท้านะรู้จิตไว้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานั่นแหละดีที่สุดอย่างเนี้ยเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้าถ้แช่อยู่ที่เท้าไม่ดีเลยะแต่ถ้าจิตไปไหลไปอยู่ที่เท้ารู้ว่าจิตไหลไปที่เท้าแล้วดีจิตมันหลุดขึ้นมา จิตไม่มีที่ตั้งหรอกอย่าคิดว่าจะตั้งไว้ที่ลมหรือที่เท้าจิตมันเกิดดับตลอดเวลาเพราะงั้นถ้าจิตไหลไปที่เท้าก็รู้จิตไหลไปที่ลมก็รู้นะใจมก็จะตื่นขึ้นมาตั้งขึ้นมาก็มันเห็นตัวที่มันเกิดขึ้นเองบ่อยขึ้นนะครับหมันถึงทำอะไรมันก็มันจะเกิดมันก็เกิดเองมันจะหลงมันจะหลงก็หลงเองถ้ามันจะมีสติขึ้นมามันก็มีขึ้นมาเองครับเห็นบ่อยขึ้นเรื่อยๆที่จริงมันไม่ได้เป็นแบบ ไม่มีเหตุมีผลแล้วนะมันเป็นไปตามความเคยชินมันเคยชินจะโกรธนะั่นเจออะไรมันก็โกรธหมดอนะเคยชินจะมีสติเจออะไรก็มีสติขึ้นมางั้นเราก็ฝึกความเคยชินที่รู้สึกนะรู้สึกบ่อยๆต่อไปมันจะรู้เองไม่ได้เจตนารู้ตรงที่ไม่เจตนารู้นี่ดีที่สุดเลยนะตรงที่เจตนารู้จงใจอยู่จิตยังสร้างพบอยู่ตรงที่ไม่เจตนารู้นะเวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ยไม่มีเจตนาเลย มันถึงออกจากพบได้ไปฝึกไปฝึกต่อเพิ่มใช่ไหมถูกแล้วสะสมไปเรื่อยๆค่ะการนมัสการหลวงพ่อค่ะได้มีโอกาสมาอยู่ที่วัดทำให้รู้ว่าที่ผ่านมาเจ็บปีตัวเองไม่ได้ภาวนาเลยค่ะเราเราไปทำอะไรอยู่อะมันหลงไงคะโอ้หลงนี่ไม่ดีนะค่ะแต่<ม>ว่ามาวันแรกก็ตั้งใจปฏิบัติ ม, มากไปหน่อยก็เลย จิตไม่เข้าฐานแต่พอเมื่อวานได้ภาวนาต่อเนื่องจนถึงตีห้าจังหวะแรก เ, เห็นกายเวทนาแยกจากกันเออเท่านั้นสิจากนั้นจิตรวม <Yeah. S 2> ครั้งที่สองนั่งภาวนานึกถึงใจที่คือมีใจที่แบบนั่งภาวนาในศาลาเนี่ยคะ่ะใจก็ สว่างสวยเหมือนกลางวันสุดท้ายแล้วก็เห็นว่าทุกอย่างมันเกิดอยู่ที่จิตพอจังหวะที่สามหลวงพ่อเมื่อวานนี้บอกว่าให้ดูกายเป็นวิหารธรรมตอนที่สี่กว่ า, วารู้สึกง่วงสังขารรู้สึกไม่ไหวในขณะที่นั่งสปปงกโอภาณาได้แต่หัวค่ า, ายานันตีสี่ ตีห้าอยันตีห้าเลยเหรอค่ะโอ้เก่งจังไม่นอนเลยเหรอนอนเมื่อตอนตีห้าถึงหกโมงึ้นอ๋อโอ้พนาโตรุ่งเลยก็เห็นว่าอยากเอาจริงสักทีหนึ่งอ่ะลองดูพอประ่อวานที่หลวงพ่อเทศก็มาเข้าที่ใจว่าแบบเหมือนหัดขี่จักรยานกับรถยนต์ตอนที่หัดขี่จักรยานกับรถยนต์เราหัดง่ายเพราะเรามีความตั้งใจที่จะทำทั้งๆที่มันยากอื อันนี้ก็แปลว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้ตั้งใจเลยคิดที่จะทาแต่มันไม่ได้ทําสักทีออนะดีค่ะถ้าภาวนาเป็นแล้วกลับบ้านก็ทําต่อนะ <c oughs> เห็นรูปเห็นนามมันทางานไปด้วย <c oughs> แต่ไม่อยู่บ้านไม่ต้องอดนอนอย่างนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวทํางานไม่ไหวค่ะไม่ไหวเพราะเมื่อเช้ารู้สึกมึนๆหัวออบางทีก็ต้องภาพเหมือนกันมีครูบาอาจารย์คุยกับท่านนะท่านบอกว่า ให้ท่านอดข้าวได้นะให้ท่านอดนอนไม่ได้หลวงพ่ะถุยเนะบอกถ้าอดนอนนะั้นท่านต้องนอนชดเฉยต้องหลายวันเนี่ยมื่นอย่างนั้นนะแต่ท่านอดข้าวได้หลายวันนี่เราถ้าเราอดนอนแล้วมื่นเบลอพอน้าไม่ได้เราก็อย่าไปอดนะหนูต้องไปเพิ่มอะไรอีกไหมคะทําให้เด็ดเดี่ยวไปนะอย่าหวังผลแต่ขยันทํำไปถ้าจริงจังตั้งอกตั้งใจทําไปเด้วยก็ไปได้หรอกทำเอา พิธีการครับหลวงพ่อก็ครั้งนี้มาส่งกันบ้านครั้งแรกครับอ mm ื hmm. ก็จะถามนิดนึงความจริงฟังซีดีมาค่อนข้างนานหลายปีแล้วครับแต่ว่าอยากจะถามว่เวลาเห็นความความคิดในเวลาใช้ชีวิตทั่วไปอะครับมันมันเป็นภพเนอะครับคืออย่าไปกลัวภพเลยนะปัญญาก็เกิดในภพนะสติอะไรเงี้ยเกิดในภพทั้งนั้นแหละไม่ต้องไปกลัวภพแล้วเป็นภพที่ดีหรือภพที่ชัวนะ่วอะ งั้นจยเกไปกลัวเลยนะครับยังไงก็หีพบไม่ได้ก็คือก็แค่เห็นรู้ทันไปรู้ทันนะรู้ทันไปเห็นไหมว่ากายกับใจมันแยกกันได้รู้สึกไหมก็บางบางครั้งเห็นไหมความรู้สึกกับใจมันก็แยกจากกันได้มันเป็นโคนละอันกันความโกรธกับใจที่รู้ว่าโกรธมันคละอันนะเมื่อขันแยกได้แล้วต่อไปในการภาวนาจะไม่ค่อยยากอะไรแล้วล่ะเราดูเขาทํางานไป สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าประคองความรู้สึกตัวไว้อย่ารักษาไว้ตลอดเวลานะให้รู้บ้างเผือบ้างรู้บ้างเผลอบ้างดีพอรู้รู้ ร, รู้ตลอดเวลามันจะตึงเกินไปนแข็งแล้ ว, ลวผมยังต้องนั่งสมาธิเยอะครับเพราะความจริงไม่ค่อยได้นั่งเท่าไหร่ครับนั่งได้ก็ดีนะต้องนั่งแต่ว่าวิธีนั่งนะ่ะอย่าไปทรมานตัวเองครับใช้อะไรใช้กรรมฐ า, านอะไรก็พยายามอานาปนาสติครับ ธรรมานาปนาสตินะแค่มีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอย่าไปจ้องลมถ้าจ้องลมมันจะเพ่งลมแล้วแน่นแต่ไป น, นี้เห็นร่างกายหายใจแค่รู้สึกสบายๆรู้สึกกว้างๆเห็นร่างกายมันหายใจรู้สึกสบายๆสบา ย, บายรู้ด้วยใจที่ธรรมดาที่สุดเลยดูอย่างนี้เลยถ้าแน่นเมื่อไหร่ผิดเมื่อ น, นั้นจําไว้นะแน่นเมื่อไหร่ผิดเมื่อ น, นั้นหยุดก่อนเลยพอหยุดแล้วทําอะไรคลิปหวานๆหนึ่งทีกับสายลมและแสงแดดนะ แล้วอย่างนี้เราเห็นไใ้ตัวนี้หายใจด้วยใจที่คลายอย่างนั้นนะใช้ใจที่ธรรมดาที่สุดเลยใจที่ผ่อนคลายนั่นแหละแล้วก็ดูเห็นร่างกายมันหายใจอย่าไปดูลมหายใจนะเห็นในตัวนี้มันหายใจอยู่หลวงพ่อค่ะนิดนึงค่ะเมื่อกี้ลืมถามว่าถ้าเราเวลาภาวนาแล้วเกิดเวทนาเราควรอดทนกับมันหรือดูเวทนาคะแล้วแต่เราใช้กรรมฐานเลยถ้าเราใช้กายานุปัสสนานะเราก็เปลี่ยนอิดียบทไปเลยเราเห็นว่าเมื่อกี้นั่งอยู่ตอนนี้เดินแล้ว ถ้าเราใช้เวทนานุปัสสนาก็ต้องทนเอาเราต้องหัดแยกกายส่วนหนึ่งเวทนาส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งนะเห็นเวทนาไม่ใช่เราเลยคือคือทำได้ทั้งสองอย่างแต่ไม่รู้ว่าไหนมันดีกว่ากันนะคะต้องดูว่าเราใช้กรรมฐานอะไรถ้าดูกายดูจิตดูธรรมนะอันนี้เปลี่ยนอิทยิบทได้ถ้าจะใช้เวทนานุปัสสนาอย่าเปลี่ยนสู้ตายค่ะขอบคุณค่ะครับ นมัสการหลวงพ่อค่ะคือมีสภาวะที่จะมาเรียนหลวงพ่อค่ะยกใหม่ยกใหม่มีสภาวะที่อยากจะมากลับเรียนหลวงพ่อค่ะคือว่าคือมันมีความคิดเมีความคิดแล้วทําให้เราทุกข์ค่ะก็ทุกข์อยู่นานอืเสร็จแล้วมันพลิกค่ะมันพลิกแบบที่ว่าอุ้ยมันเกิดแค่้ายความเข้าใจขึ้นมาว่าเราไปยึดความคิดนี่เองอะออ ค่ะแล้วมันก็มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตใจค่ะเบาลงจนจนจนมาเนี่ยค่ะเปลี่ยนแปลงมาจากจิตใจดีเบิกบานมาเรื่อยๆค่ะถูกแล้วนะค่ะอยากจะขอคําแนะนำมันง่ายนิดเดียว <c oughs> จริงๆแต่ว่ามันเป็นพลิกเองนะเหมือนเนี่ยถือไว้ตลอดเลยโอ้ยหนักๆ น, นะเวลาจิตมันเข้าใจแล้วมันพลิกนิดเดียวก็ไปหมดแล้วแล้วก็สบายนะ <c oughs> ไปทําอีกยังไม่พอ <c oughs> ทำอีกนะทำดีแล้วอย่างนี้แต่ว่าเราสั่งไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่จิตไม่เข้าใจตรงไหนอะ่ะก็าวางส่งกับบ้านในรอบหเดือนครับเมื่อสี่เดือนที่แล้วครับหลวงพ่อมันมีเวทนาเกิดขึ้นแล้วอยู่ดีเจ็ก็จิตก็เห็นเวทนาครับออแล้วอยู่ดีก็มันเห็นว่ากายก็คือกายจิตก็คือจิตเวทนาก็ไม่ได้อยู่กับกาย เ, ออเวทนาก็าเป็นคนละส่วนหนึ่ง ทุกอย่างไม่ว่ากายเวทนาหรือเจตสิกที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสภาวะที่จิตไปรับรู้อย่างเดียวเออใช่แล้วล่ะแต่ถ้ารู้ไม่ทันนะมันก็กลับมาครอบจิตหลังๆมาสี่เดือนนี้คือเวทนาเกิดขึ้นมันไม่ค่อยจิตมันไม่ค่อยลงไปรวมกับ เ, ออเวทนานะครับก็ดีแล้วล่ะแล้วเห็นไหมกายจิตรวมกับกายไหมบางทีก็รวมครับถ้าสติออดีๆไม่รวมนะครับแต่ออถ้าสติวันบางช่วงสติไม่ดีก็รวมอยู่ครับจะฝึกไปนะครับถึงวันหนึ่งไม่เคยรวมกันอีกเลย ขันน่าแยกกันหมดเลยน่าต่างคนต่างทําหน้าที่ขันต่างๆเขาก็ทําหน้าที่ของเขาอยู่แล้ว่แต่จิตนั่นแหละเป็นตัวไปแทรกแซงขันนะกายก็ทําหน้าที่ของกายเวทนาทําหน้าที่ของเวทนาสังขารทําหน้าที่ของสังขารใช่ไหมสัญญาก็ทําหน้าที่ของเขาจิตต่างหากเราไปแทรกแซงกลายเป็นเราไปหมดเลยกายก็กายเราสุขทุกข์ก็ของเราความจําได้หมายรู้ของเราความปรุงดีปรุงชั่วของเราอีกเป็นเราไปหมดเลยนะ งั้ตัวที่มีปัญหาก็คือจิตนั่นเองงั้นเราภาวนานะก็คือพาจิตมันเรียนรู้ความจริงของขันไปจนกระทั่งมันไม่เข้าไปแทรกแซงขันนะนะดีสังเกตไหมมันโปร่งโล่งเบาสบายขึ้นมากเลยครับมากเนี่ยธรรมะอัศจรรยนะ์นะจริงๆอยากพูดคํานี้กับหลวงพ่อว่ามันอัศจรรย์จริงๆครับอัอศจรรย์หลวงพ่อไปพูดเรื่อยๆจนเขาไปตั้งหัวข้อเลยเป็นอัศจรรย์แห่งธรรมะไปเทศท่าต่โกรธแก้วนะเราก็อุทานแต่ว่ามันอัศจรรย์จริงๆนะ มันอ้อนยัศจรรย์นี่ขนาดเพิ่งเห็นจิตฝล่อยอารมณ์ได้นะยังไม่วางขันจริงน ะ, ะนี่แค่จิตปล่อยวางอารมณ์เท่านั้นยังอัศจรรย์ขนาด น, นี้เลยถ้ามันวางขันได้นีโอ้โอยอัศจรรย์ไม่รู้จะบอกไงเลยนะแล้วมีความสุขมหาศาลนะแค่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันชีวิตที่ผ่านมาแบบว่ามันเหมือนไร้สาระไร้สาระหลวงพ่อแซ่เตมให้ที่ผ่านมา <laughs> <laughs> ถ้าเราคนไหนไม่ได้พอนานะไร้สาระจริงๆเลย ใช้ได้แล้วนี่ต้องอย่างนี้จิต <k S 2> ขอบพระคุณครับแล้วมีเรื่องที่ผมติดครับหลวงพ่อคือเมื่อเดือนที่แล้วมันมันเห็นแต่และเดือนเลยครับว่าบางช่วงเนี่ยที่เรียนหลวงพ่อไปว่าบางช่วงสติมันเกิดช่วงไหนสติเกิดดีเนี่ยจะเห็นในที่หลวงพ่อบอกเลยครับว่ า, วาอะไรไม่รู้เกิดขึ้นและอะไรไม่รู้ดับไปแล้วอะไม่รู้จริงๆรู้แต่ว่ามันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเร็วมากแต่ว่าบางช่วงก็คือสติไม่ดีเหมือนช่วงตกต่ํา เหมือนหุ้นลงก็คือแบบฉุดไม่ขึ้นฉุดยังไงก็ฉุดไม่ขึ้นเลยครับจะต้องต้องยังไงดีครับหลวงพ่อฉุดไงก็ไม่ขึ้นแล้วไปฉุดมันทําไมล่ะก็อย่าไปฉุดมันสิแค่รู้ว่ามันตกที่จริงจิตไม่เคยเสื่อมนะะจิตไม่เคยเสื่อมหรอกเพราะจิตนั้นเกิดแล้วดับตลอดจิตที่เจริญเกิดแล้วก็ดับจิตที่เสื่อมเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันเรารู้ด้วยว่าเป็นกลางเท่านั้นรู้ไปด้วยว่าเป็นกลางยันเห็นความจริงจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับ พอาบางทีก็เห็นว่าเราเป็นทุกข์เกิดจิตสภาวะที่เสื่อมก็มเห็นว่ามันทุกข์แค่นั้นก็พอใช่ไหมครับพอแล้วละ่ะครับจริงๆความทุกข์ทั้งหลายทางใจนะในโลกเนี่ยจริงๆมันนิดเดียวเองอะก็คือจิตเรายอมรับความจริงที่กําลังปรากฏในปัจจุบันไม่ได้นัไม่เอาความจริงที่กําลังเป็นอยู่ยังไม่สบายร่างกายไม่สบายแล้วจิตไม่ยอมรับความจริงนะจิตจะทุกข์มากเลยคนที่เราชอบไปอยู่ที่อื่นแล้ะ จิตไม่ยอมรับความจริงก็ทุกมากนะหรือแก่แล้วผมหงอกแล้วจิตไม่ยอมรับจิตก็ทุกนะแต่ถ้าจิตยอมรับทุกสิ่งที่กาลังปรากฏนะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่มาแล้วก็ไปอย่างนี้นะยอมรับได้นะจิตไม่ทุกเท่าไหร่หรอกจะเหลือทุกอีกชนิดเดียวก็คือทุกของจิตทุกขนั้นเรียกว่าทุกขสัตว์นะความทุกเนี่ยมีหลายชนิดนะทุกนี่แยกได้ตั้ง10อย่างทุกที่สุดยอดของทุกเลยเรียกทุกขสัตว์ ทุกขสัตว์คือเห็นจริงนะว่าขันนัอะไรตัวทุกเนะี่ยตอนนี้เรายังไม่เห็นเราเห็นแต่ว่าถ้ามีอะไรแปลกปลอมมาเราทุกใจยอมรับไม่ได้เราทุกนะเรยไม่เห็นว่าตัวจิตนั่นแหละตัวทุกเรียกว่าเรายังไม่แจ้งในทุกขสัตว์ยังเกิดอีกนะแต่ความเกิดเหลือน้อยแล้วล่ะพาวนาไปขอบพระคุณครับว่าตาเราจะสั้นลงนะเมื่อเราตื่นขึ้ น, นมามเห็นความจริงของาธาตุขันได้ สังสารวัฏจะสั้นลงแล้วสําหรับเราเหลือไม่มากแล้วนะหลวงพ่อเคยถามครูบาอาจารย์วงหนึ่งที่หลวงพ่อกิมเป็นลูกศิ์ลงประดูลนะเป็นพระซึ่งมีฤทธิ์เยอะรอบรู้อะไรสารพัดเลยฤทธิ์มากเคยถามหลวงพ่อครับคนที่หัดภาวนาเนี่ยถ้าเริ่มหัดจริงๆจังๆนะใช้เวลานานไหมกว่าจะบรรลุโอ้ยไม่นานหรอกพระโมทไม่เกินเจ็ดชาติหรอก เจ็ชาติท่านถือว่าน้อยมากนะลองระลึกได้สิโอ้โหในกับเดียวนี่นะนับจํานวนชาติไม่ท้วนเลยเยอะมากเลยเจ็ชาตินิดเดียวนะงั้นยอมสละนะชาตินี้ได้ยินธรรมะของพระเจ้าแล้วเสียสละหน่อยภาวนาเข้าเอาไว้ชาติอื่นไม่เจอาศาสนาพุทธนุก็ช่วยไม่ได้อยู่แล้วละ่ะชาตินี้ได้เจอแล้วก็พาวนาไปก่อนเสียสระนะมันไม่ใช่เวลามากมายอะไเลยชาติหนึ่งนะิดเดียว ว่าต่อไปอยู่ที่ใครอะนักสักกาะครับหลวงพ่อืช่วงนี้ผมท้อแท้ใจเหมือนกันเหมือนกับว่าท้อก็ได้ท้อแต่ไม่เลิกนะเหมือนกับขยันแล้วมันไม่ค่อยก้าวหน้ามันไม่ก้าวหรอกมันจะก้าวไปไหนมันอยู่กับปัจจุบันมันก็เห็นแต่ด้วยนู่นไม้นี่ไปนะซ้ำซากอยู่กันแน่ความยากของการปฏิบัตินะอันแรกเลยยากที่จะทําให้เป็นนะพอทําเป็นแล้วคราวนี้ยยากตรงที่ต้องทนอ่ะ ทนตัวอะไรที่ซ้ำซากเหมือนกันทุกวันเลยนะจเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมตัวนี้ต้องใช้ความอดทนสูงเลยทนเอาพานาดีแล้วแต่เพราะสติมันเหมือนกับไม่ค่อยตั้งมัน่นคือเหมือนกับภาวนาแบบฝุดๆเครื่องๆครับเป็นช่วงๆนะไม่มีหลอกการภาวนาที่ดีตลอดนะมีแต่จเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมมันนั่นเป็นปกติของการปฏิบัตินะนี่ไม่ได้หลวงพ่อพูดเองเนละครูบาอาจารย์สอนมา ปฏิบัติน ะ, จะเจริญแล้วก็เสื่อมได้ถ้าจเจริญรวดเดียวนะเราจะเห็นว่ากูเก่งกูเก่งแต่จเจริญแล้วเสื่อมนะเราจะเห็นว่าเราบังคับไม่ได้ไม่ใช่เราหรอกเพราะฉะนั้นมันเสื่อมได้เรดีแล้ว <c oughs> ท้อก็ได้นะท้อก็ไม่เลิกเบื่อ ก, ก็ได้เบื่อ ก, ก็ไม่เลิกขี้เกียจก็ได้แต่ขี้เกียจก็ไม่เลิกอีกถือหลักว่ายัางไงก็ไม่เลิกปฏิบัตินะสู้ตายเห็นเห็นมันหลวมๆครับจิตมันหลวมๆคือแบบ ดมเหลมก็หายใจไว้แต่และอย่างมันหายใจไว้รู้สึกตัวไว้ให้ความรู้สึกมันเข้มขึ้นนิดหนึ่งความรู้สึกตัวมันอ่อนไปหน่อย ừ, ừ. ทุกอย่างเก็บบางๆไปหมดรู้สึกตัวเข้มข้นขึ้นนิดเดียวนะ ค, คือให้ทําสมาธิเราครับเออสมาธิทิ้งไม่ได้หรอนะเพราะฉนั <ừ. S 1> ้นไม่ใช่ปล่อยดูไปเออระเหยไปเรื่อยๆนะเป่าๆกระหนุ่งกระหนิงไปเรื่อย mm. อันนั้นกําลังของสติไม่พอกําลังของสมาธิไม่พอ ให้ใจมันเข้มแข็งขึ้นนิดหน่อยนะมันจะตึงนิดนิดนะมันจะเข้มขึ้นนิดนิดมันไม่ใช่เออเรเหย่อพอดีพอดีพอดีไปเรื่อยจะหย่อนแนะจะหย่อนลงไปแล้วมันดูอะไรไม่ได้จริงอ่ะหลวงพ่อชาเขาบอกว่าหัดใหม่ๆให้ตึงไว้ก่อนตึงไว้หน่อยนึงนะแล้วพอมันลดลงไปแล้วมันพอดีถ้าหัดใหม่ๆเอาให้พอดีเลยนะมันจะหย่อนไปมีมีอันนึงครับคือ หลายหลายปีก่อนหลวงพ่อเคยสอนให้ผมแบบคือคือผมนั่งอยู่แล้วหลวงพ่อทักว่าเมื่อกี้พยักหน้ารู้ไหมอย่าเงี้ยแล้วจิตก็สว่างขึ้นมาอืทีนี้มันมันอยู่ช่วงหนึ่งผมก็ฝึกตามนี้ได้แต่ว่าตอนนี้จะจะหันไปฝึกอีกเพราะว่ามันมันทำให้สติมันเกิดดีขึ้นนะฮะเอ อ, อไหนดีก็เอาอันนั้นแหละนะเพียงแต่ว่ามันมันเหมือนกับเมื่อกี้เราไม่รู้ใช่ไหมครับว่าร่างกายเป็นไงแล้วเราไปไปรู้ทีหลังแต่ถ้าเราไปจงใจนะจงใจรู้สึกอาละพยักหน้าแล้วอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะ เผลอเผลพยักหน้าแล้วรู้สึกเผลอเลอเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกรู้ว่าเมื่อกี้เผลอมันจะตื่นพอดีเลยครับดูกายไปก่อนถ้าดูจิตไม่ออกดูกายเลยนะเห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายเคลื่อนไหวดูมันดูคนอื่นดูซ้ำซ้ำไปดูซ้ำนซ้ำทุกวันนะเหมือนกันตลอดน ะ, ะยากตรงที่ต้องดูอะไรซ้ำซ้ำนี่แหละบางคนทนอะไรที่ซ้ำซากไม่ได้การปฏิบัติเนี่ยต้องซ้ำซาก เพราะเราเรียนรู้อยู่ในกายในใจก็ซ้ําอยู่แค่นี้เองขอบคุครับหลวงพอ่อนมัสการหลวงพ่อค่ะอคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าหนูใจไม่เป็นกลางค่ะหนูว่าหนูยอมรับมากขึ้นหนูรู้สึกว่าใจโปร่งโล่งเบาสบายขึ้นค่ะเพราะมันยอมรับมันเลย รู้สึกว่ามันสบายขึ้นใช่ที่หลวงพ่อพูดตะเกียบว่ามันทุกข์ขึ้นมาเพราะมันไม่ยอมรับสิ่งที่กําลังเป็นอยู่ค่ะถ้ามันยอมรับสิ่งที่กําลังปรากฏอยู่นะไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันนะไม่ทุกข์หรอก่อเป็นกลางอยู่นั้นแต่หนูว่าหนูยังไม่เห็นเกิดดาวะคะยังไม่เห็นว่าสัน ต, ติมันขาดเอาไม่จําเป็นนะแค่คอยรู้สึกไปเห็นไใ้ร่างกายนี้กับใจเป็นคนละอันไหม คือมันเคยแยกกันได้เห็นชัดเจนครั้งหนึ่งนะคะแต่ครั้งหลังๆนี่มันไม่ชัดเจนอะค่ะไม่ต้องให้ชัดนะชัดแค่ไหนกอแค่นั้นจงใจให้ชัดนี่ไม่ถูกเลยค่ ะ, ะเห็นไ้ยกิเลสมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปอันนี้เคยเห็นหมค่ะนั่นแหละเห็นเกิดดับคือมันบางทีเดี๋ยวก็รู้สึกโกรธขึ้นมาเองแล้วมันก็หายไปถ้าเห็นว่ามันทำได้เองนัน่เรียกเห็นอนัตตาถ้าเห็นว่ามันมีอยู่แล้วหายไปเรียกเห็นอนิจจัง มันเห็นอยู่แล้วล่ะไตรลักษณ์นะเพียงแต่ว่ามันไม่ใส่ป้ายชื่อให้เท่านั้นเองมันมีครั้งหนึ่งหนูไม่แน่ใจว่ามันใช่เห็นสันตติขาดหรือเปล่าคือหลายวันก่อนเนี่ยจะหยิบเสื้อที่มันแขวนอยู่ค่ะพอหยิบออกมาปุ๊บเห็นมีจิ้งจกอยู่ข้างหลังแต่มันเห็นจังหวะหนึ่งว่าเราเห็นก่อนแล้วก็เว้นวักเป็นนิดนึงแล้วเราก็กรีดออกมาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือมันขาดใช่ไหมขาดเห็นไหมจิตที่เห็นนะดวงหนึ่งนะ จิตที่คิดอีกดวงหนึ่งนะจิตที่ตกใจอีกตัวหนึ่งนะออมันยังไม่ละเอียดขนาดนั้นช่วเห็นว่าแวบหนึ่งแล้วก็ค่อยกรีดออกมาค่ะมันมีดีเลย์ไทม์ทุกอันะมีทั้งนั้นอ่ะอันนี้คือสันตติมันขาดใช่ไหมไม่ใช่เราเริ่มเห็นมันขาดแล้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะแล้วหนูต้องทํายังไงต่อไปทำเองดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมค่ะขอบพระคุณค่ะเราจะเห็นเลยนะจิตที่เห็นนะอันหนึงนะยังไม่ตกใจนะ มันคิดขึ้นมาว่าจริงจกนะเขาคิดตรงที่คิดก็ยังไม่ตกใจนะแล้วพอคิดเสร็จก็ตกใจแต่มันสั้นมากแค๊บเดียวแป๊บเดียวถึงบอกนี่ล้านนิ้วมือเดียวหลายขณะล้ค่ะแป๊บเดียวเท่านั้นหลายขณะจิตแล้วขอถวายการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาการจริยาบูชาสาธุสาธุการหลวงพ่อครับอเมื่อส่งการบ้านเมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าสมาธิแรงไปจะติดเฉยครับ อก็ทุวันนี้ก็สวดมนต์เดินจงกรมทําสมาธิแบบสยสบายอใจมันคลายออกมันสบายขึ้นนะครับแล้วมันก็ทํางานได้ถ้าเราเพ่งติดอยู่กันนะจะไม่เห็นมันทํางานมันนิ่งๆอย่างตอนนี้เดี๋ยวมันก็ดีใจเดี๋ยวมันก็เสียใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ได้นะอย่างเนี้ถึงจะเดินปัญญาได้ครับทําดีแล้วล่าไปทําอีกครับในระหว่างวันก็ทําความรู้สึกตัวแบบไปเรื่อยๆครับก็คือบางครั้งเห็นมัน ผ่านมาผ่านไปเออต้งบางเบาเยอะมากจะไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือว่ามันคิดเองอะครับในอย่างนั้นเห็นถูกแล้วล่ะถ้าเห็นถูกแล้วใจเราเป็นอย่างนี้แหละครับแต่มันก็ผ่านไปแบบที่ก็จนแล้วก็ให้เห็นเนี่ยผ่านไปผ่านไปโมโหเลยก็ไม่โมโหคกันคือไม่แน่ใจว่าเราคิดเองหรือว่ามันเห็นจริงๆอะครับเห็นจริงๆทําไปอีกนะทาไปบ่อยๆนะ สมาธิไม่เลิกนะทำแต่ว่าอย่าให้ไปเพ่งครับครับขอโอกาสหลวงพอครับก็นอกจากเรื่องศีลที่ผมยังบกพร่องอยู่แล้วเนี่ยมผมยังต้องเพิ่มเติมอะไรในการเรารู้<ป>ทันนะครับอคุสนอะไรเกิดเรารู้นะครับคอยรู้ทันมันไปเรื่อยแล้วต่อไปมันจะครอบงําใจเราไม่ได้ครับมันจะทําผิดศีลแล้วรู้ทัน มันมีกิเลสแล้วรู้ทันคอยรู้ทันกิเลสไปเรื่อยๆครับ So I um, just wanted to clarify the question I asked Longpo last uh, few weeks ago. Um, he he suggested to me not to do samatha practice because of my many years of samatha practices. Um, I noticed that um, although I, I try not to focus, but uh, there's a certain amount of uh, uh, progress I feel. I felt when I was doing the samatha, which, uh, which now I find with the vipassana and the relaxed attitude that I've been practicing with Longpo promote. Uh, it's, um, it's my mind is scattered all over the place, and so I don't feel the progress, and it's, um, um, it's like, um, as um, when I control my thoughts, temporary. t h r e seems like a temporary kind of release or something. but don't still I feel นี่เขาพูดยาวหลวงพ่อแปลได้คาเดียวหลวงพ่อประมุ่ครับหลวงพ่อครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนจะทำสมาธของข้างจะเยอะครับแล้วรู้สึกว่าเห็นความเกาหน้าชัดตอนทำสมาะบางครั้งก็สงบบางครั้งก็ความคิดจะออกมาเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอ รูสึกว่าไม่ค่อยคุ้นจะทําสมถะไม่รู้ว่าหลวงพ่อเคยแนะนําว่าเลิกไปก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจ ค, คือคือสมถะแล้วก็บอกว่ามันก้าวหน้าเนี่ยมันก้าวหน้าแบบสมถะคือได้แต่ความสงบนะนี่การปฏิบัติมันไม่ได้มีแค่สมถะมันมีขั้นเจริญปัญญาด้วย<ม>ในช่วงที่เจริญปัญญาเนี่ยกับความฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะเป็นขอที่ใกล้เคียงกันอย่าไปตกใจนะให้คอยรู้ทันเวลาความรู้สึกอะไรเกิดรู้ทันกิเลสอะไรเกิดรู้ทันไป เราดูเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับได้เองเราไม่ได้ดูเพื่อความสงบความสงบเป็นเรื่องเล็กน้อย so when you, when you have um, progress with samatha practice yeah there's progress but it's it progress in samatha okay but when it comes to doing vipassana at first you may be startled because there's so much uh, there's so much to see but we're not practicing to be peaceful we're practicing To see that whatever arises also falls, so there'll be a different kind of progress there as we see the truth. Yeah. มีวิธีที่จะวัดว่าเราก้าวหน้าจริงตอนทวิปัสสนากแรกเลยเรารู้สึกว่าร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันนะความรู้สึกกับจิตใจเป็นคนละอัน So when you start to notice that the body and the mind are two different things, and the feelings that arise in the heart and the mind are also Two different things. We can start to see the progress. s e a a t w a n i a d n w e i o e n a n o n g a So once we're able to separate the body and the mind, then we can start to see that the things that arise and fall. to start to see that they're happening by themselves. I feel that it's d i f f i a u l t to stop. ค, คือค น, ค, นคนที่ทำสมถะติดสมถะนานนะพอปล่อยมันเดินวิปสัสสนาจะฟุ้งแรงกว่าคนธรรมดาเป็นช่วงหนึ่งหรอก So when you begin to practice vipassana your mind will be busier and wandering even more than a regular person and that's because you've been doing samatha for a long time so n it just for the first period it'll feel overwhelming with how much is going on but that period will pass คนทำสมาทานะมันเหมือนคนอยู่ในห้องปลอดเชือ้อนะอยู่ในห้องปลอดเชื้อจนชินเลยออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนะมาทำวิปัสสนาเหมือนออกมาเผชิญชีวิตจริงๆนะเจอเชือ้อโรคเข้าเลยป่วยหนักไปเลย <laughs> <laughs> When you when you're practicing samatha it's like you're putting yourself in a room with no bacteria or no no viruses or anything like that right but then when you leave samatha the samatha room and you go out into the world even just the littlest bit o virus or bacteria, and you get sick because you don't have immunity. So it's like that. Yeah. เห็นว่าเห็นว่าใจมันทุกข์เพราะว่ามันพยายามที่จะยึดสมถะไว้มันไม่ยอมปล่ยนั่นแหละที่พุทธเจ้าสอนนะก็จะสอนให้รู้ว่าความทุกข์ในใจมันเกิดได้ยังไงอันนี้เขาก็ได้เริ่มเห็นความจริงแล้วว่าถ้าใจเข้าไปยึดในใจมีความอยากใจมีความยึดใจก็จะมีความทุกข์นี่แหละก็เรียกว่าเห็นความจริงแล้ว So you're starting to see the truth then because you can see whenever there is attachment, whenever there is clinging, there is suffering right then and there ไม่เข้าไปยไม่ไปยากงบมีความสความสุสงบละเอียดายิ่งสุ so there's a, a higher a more subtle type of peace than the peace of Samta a h and that's the p e a c e when The mind doesn't go to attach to anything anymore. Yeah. The happiness of samatha, i s like the happiness of a child, like a child that likes to go play in the mud or something like that. Yeah. But when we Uh, start to feel the happiness of vipassana. It's like we're becoming an adult. We're maturing, yeah. And we start seeing that everything happens by itself. <laughs> <laughs> so, um, yeah, t h u l t e a h s o u e h t o e <laughs> It's tiring to do that. If you notice that when you bring in a certain attitude or you know present yourself in a certain way for to practice every time you practice, that that's tiring. See that that, yeah. So start to see that. การตั้งท่านั่นแหละเป็นส่วนเกินของการปฏิบัตินะถ้าเรารู้กายอย่างที่กายกําลังเป็นไม่ตั้งท่ารู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่ตั้งท่านะเลยถึงจะเห็นความจริงของกายใจ So the way to see the truth is to not bring in any sort of attitude or posture towards practicing, yeah. And then we just see the truth of the way things are in that moment, without having to do anything first. Ah, yeah. Chenkapan. <laughs>